ติโยวิวานชันตุสานพารโควินาสตุมาเตมภาวนตวันตรายโยสุกีอยูย่โคนภาวนภิวานธนสีลิสานิ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 สัพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนานางธรมมรตนานางสังฆรัตนานาตินนางรัตนานางอนุภาเวนะจตุริสีติสหัสธรรมมาันธานุภาเวนะปิตกัร ตายานุภาเวนชินาสาวการุภาเวนสัพเต สัพเพติภยาสัพเพติอันตรายาสัพเพติอุปาทวานสัพเพติทุนิมิตาสัพเพติอวามังคลาวินาสันตุอายุวัตทาโกทานาวตทาโกสิริวัต ยาสาวันท่าโกภาวันทาโกวันณวันทาโกสุขาวันทาโกโหตุสาปทาธาโทข้าพยาเวลาโสกาสตุจุปานทาวานิ กาอันตรายาปิวินา ส, สันตุจาเต ส, สาสสยสิที่ทานางลาพังโสติภาคขยัางสุขังภาลัสิริอายุจาวันโนจะโพคางวุิจียสวาสตวัสจาอายุจาชิวสิต ที่ภาวันตูเตมภาวันตูาผ้ามังรักขันตูซาผ้าเทวตาสาผ้าพุทธานูภาเวนัสธาสดที่ภาวันภาวันตูซาผ้ามงการลางรักขันตูซา วัตตาสาพัทธามานุภาเวนัสธาโสทิภาวันภาวตุสาพามังคาังรักขันตุสาพาเทวัตตาสาพสังคานุภาเวนัสธาโสทิ ภาวนตูเต